ทำบุญกุศลอะไรต่ออะไรทำความดีทุกอย่างก็เพื่อจิตตรงนี้ไม่ใช่เพื่ออื่นไกลเพราะว่าบุญเป็นชื่อของความสุขทุกคนนั้นต้องการความสุขเบื่อต่อความทุกข์สุขทุกข์เป็นคู่กันถ้ามันมีแต่สุขอย่างเดียว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 ทุกกายกายก็ไม่เที่ยงไม่ยังยืนโรคภัยเบียดเบียนบีบขคันเอากระวนกระวายกระทบกระทั่งกับจิตนี้ให้จิตนี้ตั้งนิ่ง น, งนงิอยู่ไม่ได้เพราะร่างกายมันแปรปวนไปกระทบกระทั่งเอาทุก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 ที่ว่ามีฤทธิ์มีเดชอย่างไรก็ตามแนละเป็นยักษ์เป็นโขเป็นผู้มีฤทธหอเฮิร์นเดินอากาศได้มูนีตลอดถึงเทวดาอินพรมหมมูนีก็ไม่สามารถที่จะคัดจัดกิเลสนี้ออกได้ถ้าหากว่าบุญกุศลยังไม่เต็มปัญญาอันยอดเยี่ยมไม่เกิดขึ้นแล้ว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 ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไอ้บุคคลผู้ที่ปราศจากสติสัมปชัญญะแล้วละระลึกไม่ได้เลยาระลึกถึงความดีของตนไม่ได้แล ะ, ละระลึกเตือนตนให้ทำกุศลคุณงามความดีไม่ได้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 มันก็งอกขึ้นได้เหมือนกันแหละต้นไม้นี่แต่ว่าตัวธาตุหินแท้ๆนะต้นไม้มันเกิดไม่ได้นะต้นไม้มันเกิดขึ้นได้แต่ดินหาดดินนี่แหละหาดดินบางแหง่งมันแหงแ้งแล้งมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ต้นไม้เนั่นนะอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันเนี่ยจิตใจของคนเรานี่น่ะถ้าหากว่า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 ก็สามารถละอาสวะกิเลสขาดจากสันดานได้จริงเมื่อผูใ้ใดเห็นแจ้งในพระคุณทั้งสามนี้ด้วยปัญญาของตัวเองแล้วมันก็เชื่อนีนน่ก็เชื่อมั่นลงไปแล้วเมื่อเชื่อมั่นลงไปยรงิงกาบไว้สักดาบูชาอยู่เสมอพระคุณนั้นก็ย่อมเกิดขึ้นในจิตใจของผู้นั้น ยอมเป็นที่พึ่งกำจัดทุกกำจัดภัยออกจา ก, กจิตใจได้จริงๆนี่ลองคิดดูทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังว่ามันเกิดที่ใจใจเป็นไงทั้งนั้นหละแม้บุญกุศลก็เหมือนกันที่บุคคลจะสั่งสมให้เกิดมีขึ้นได้ก็เพราะเชื่อว่าการให้ทานนั้นน่ะมันมีผลจริง พระพุทธเจ้าตัดสรุแจ้งแทงแตลอดแล้วจริงพระองค์รู้ว่าการที่พระองค์จะสมบูรณ์ด้วยลาบยศสรรเสริญในความสุขใดๆมาในสงสารนี้กระด้วยอำนาจแห่งทานการบริจาค ข, ของพระองค์ด้วยแล้วก็ด้วยการประพฤติทธรรมอย่างอื่นด้วย นี่ด้วยด้วยอํานาจแห่งความดีที่พระองค์ประพฤตินี่แหละมาอํานวยให้พระองค์มีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกจนได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิราชมีอานาจครอบครองทวีทั้งสี่อันนี้มีมหาสมุทรเป็นขอบเขตนี่พระราชอํานาจของพระเจ้าจากักรพรรดินะ่ะครอบคุมไปโลกทั้งโลกอันนี้เลยก็เพราะว่าอานาจบุญบารมีที่ ถ้าเจ้าจักระพัดติราชได้สร้างมาจนเต็มตามภูมิของจักระพัดสมบัตินั้นเองเหตุนั้นจึงโดนบันดาลให้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยจักระพัดสมบัติเหล่านั้นนี่แหละอนุภาพแห่งบุญกุศลนะ่ะพากันพี่ณาให้เห็นดังที่เคยพูดมาบ่อยๆอยู่แล้ว อา น, นิสงส์ที่ให้ข้าวน้ำเป็นทานมันก็จะมาตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้แข็งแรงอ้วนท้วนสมบูรณ์อา น, นิสงส์แห่งการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็จะทําให้บุคคลผู้นั้นเป็นผู้มีอายุยืนยาวนานเมื่อเกิดมาในโลกนี้นะนอา น, นิสงส์ที่บุคคลจเจริญเมตตาการุณาให้มากมาก ไม่เป็นคนใจดำอมหิทธ์ไม่เป็นคนหน้าบึง้งหน้าตึงต่อคนอื่นและสัตว์อื่นเหล่านี้จะทำให้เป็นผู้มีผิวพรรณวันนะับผุดพองอเรียกว่าผ่องใสใครพบใครเห็นเขาแล้วก็ชื่นชมยินดีด้วยอันนี้เป็นอานิสงที่บุบคคลผู้เจริญเมตตาธรรมกรุณณาธรรม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 ต้องอาศัยการครบหาสมาคมกับนักปราชบัณฑิตนั่นแหละผู้ใดมันเข้าใกล้ศึกษาไต่ถามข้อข้องใจต่างๆกับนักปราชบัณฑิตอา น, นิสงอันนี้ก็ส่งให้เกิดมาชาตินี้ก็เป็นคนมีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดมากกวัวคนธรรมดาสามัญ ใครเป็นผู้มีความเคารพน้อมน้อมต่อบวุทะบุคคลคือบุคคลผู้เจริญก่อนตนเช่นชาติอุฒโทผู้เจริญด้วยชาติโดยตระกูลเช่นพระราชามหากษัตริย์เป็นต้นเหล่านี่แล้วก็วัยวุฒโทผู้เจริญด้วยวัยผู้เกิดก่อน ปุลมารดาบิดดาปุลลุงป้านาอาของตนแล้วก็ตนก็เคารพนับถือเหมือนข้อเหมือนแม่เหมือนลุงป้านาอาของตนนั่นแหละตนเคารพนอบน้อมต่อท่านเหล่านั้นชั้นใดเราก็เคารพนอบน้อมต่อผู้มีวัยวุท ธ, ธิก่อนตนชั้นนั้นแหละ ผู้ใดมีอุปการะคุณแก่ตนแม้จะเป็นคนมีอายุอ่อนกว่าตนก็ตามแหละตนก็นับถือตนก็เคารพนับถือเพราะว่าตนได้รับอุปการะจากท่านผู้นั้นอันนี้ท่านเรียกว่าคุณนวุธโธผู้จเจริญด้วยคุณงามความดีเช่นว่า เขาเป็นผู้มีอายุอ่อนกว่าตนก็จริงแต่เขามีบุญวัสนาได้สั่งสมโอโรมาแต่ก่อนโน้นเป็นเหตุที่เขามีความรู้ความฉลาดในทางผิดทางถูกหรือทางดีทางชั่วแต่ตนถึงแม้จะมีอายุมากก็จริงแต่บุญตนน้อยสติปัญญาอันใดก็น้อยไม่มีความรู้ความฉลาดเท่าที่ควรอย่างนี้นะมันก็ควร นอกน้อมต่อผู้ที่เขามีความรู้ความฉลาดกลัวทนนั้นแหะถึงจะไม่อยู่อายุน้อยกว่าก็ตามนี่ไม่ควรในถือเนื้อถือตัวแข็งกระด้างกระเดือง <c oughs> ไม่เช่นนั้นแล้วผู้นั้นก็จะไม่มีสติปัญญาต่อไปก็จะเป็นคนไม่มีสติปัญญาอยู่ยนั่นแ่ะเรื่อยไปก็มัวทั้งจะถือเนื้อถือตัวกระด้างกระเดืองอยู่อย่างนั้น ผู้ใดมีความกระด้างกระเดื่องไม่เคารพต่อผู้มีคุณธุรมที่ผู้มีวิชาความรู้สูงกว่าตอนอย่างนี้นะเกิดไปชาติใดก็จะเป็นคนโง่ไม่มีความรู้ความฉลาดอะไรเลยผู้ที่มีความรู้ความฉลาดมากเพราะเศรษฐศาติก่อนมันเข้าใกล้นักปราชญ์บัณฑิตไต่ถามข้อข้องใจต่างๆรู้จักกลาบรู้จักกล้ว้ ไม่ทาตนเป็นคนแข็งกระด้างกระเดืองอย่างนี้นะมีอาณิสง์เหล่านี้น่ะจักอำนวยให้ไปเกิดในตระกูลสูงด้วยแล้วก็ทั้งมีสติปัญญาความรู้ความฉลาดท่องบนจดจำศึกษาเราเรียนวิชาความรู้อะไรก็พผันจำได้ง่ายไม่อืดอาดยืดยาดในการจำ อันนี้ก็เพราะอาณิสงฆ์ที่แต่ชาติก่อนนั้นตนได้เข้าใกล้นักปราชญ์บัณฑิตพอใจศึกษาเล้วเรียนท่องบนจดจำอวิชชาความรู้ที่นักปราชญ์บัณฑิตท่านแนะนําสั่งสอนนั้นนี่ว่าชอบวิชาพูดง่ายๆบ้าเท่าไหชอบวิชาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมไม่เบื่อนายต่อวิชาความรู้ต่างๆ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 เรียนอะไรก็จำไม่ได้ฟังอะไรก็เข้าใจไม่ได้และอีกย่างหนึง่งเห็นคนอื่นเขาท่องบนจดจาวิชาความรู้ต่างๆอย่างนี้นะก็ไปหัวเราะเยาะเย้ยเขาให้เขาเกิดความเก้อความกระดากกระเดองไม่สามารถจะท่องบนจดจำอวิชาความรู้เหล่านั้นได้ กรรมนั้นมันก็ตามสนองเอาเลยเกิดมาชาตินี้ก็ทำให้เป็นคนอัดอั้นตันปัญญาเรียนอะไรก็ไม่ได้เหมือนอย่างท่านพระจุลบรรพกในครั้งพุทธเจ้านั่นพี่ชายนั้นเรียกว่ามาหาจุลบัรพกพี่ชายออกบวชก่อนน้องชายบวชมาแล้ว ปฏิบัติไปไม่นานก็ได้สำเร็จอรหันต์พี่ชายก็นึกถึงน้องชายยึงไปขอเอาน้องชายมาจากมารดาบิดาเอามาบวชวดี้มาแล้วบวชแล้วพี่ชายนั่นสอนคาถาหรือว่าสอนแนะนำไอ้คำสอนของพระพุทธเจ้าให้ท่องให้จำเอา ก็สมัยนั้นสอนกันด้วยปากเปล่าสอนอย่างไรน้องชายก็จำไม่ได้เลยทั้งบาทพระคาถาเดียวหนึ่งสอนอยู่ทั้งสามเดือน4ี่เดือนก็จำไม่ได้วันนี้พี่ชายล้วถือว่าน้องชายนี่เป็นคนอาภัพเลยขับไล่ให้หนีจากวัดนี้น้องชายถูกพี่ชายขับ ไล่อย่างนั้นก็เสียใจคืนวันหนึ่งนั่นเมื่อ น, นึกกุ้มใจามากแล้วก็ตอนหัวลุ่งตัดสินใจว่าเราจะหนีลแล้วออกจากวัดนี้ไปศึกหาลาเพศไปครองเลือนอย่างคนธรรมดาทั่วๆไปนั่นแหละเพราะว่าเรานี่บุญน้อยท่องบนจดจำอะไรก็ไม่ได้ พอดีพระศาสดาทรงเร่งงานสองสัตว์โลกท่านจุนลบัรทกนี่ก็ไปต้องขายพยานของพระองค์พรมพิจาดูรู้บุพรกรรมของจุลบรนทกแล้วเล้ยวรู้ว่าพระจุลบรรทกเนี่สร้างบุญบา ร, รมีมาเต็มแล้วสมควรที่พระองค์จะไปโปรดเอา ดัง น, นั้นพระ อ, องค์จึงเสด็จมาเดินจงกรมอยู่หน้าประตูวัดนะเนี่ยเมื่อท่านจุนลบรรทกเดินออกไปไปเจอพระศาสดาเข้าพระ อ, องค์ก็ทรงตรัสถามเมื่อพระ อ, องค์ทรงรู้แล้วก็เอาพระหัสนั้นไปรูปศีรักคล้ายๆกับาแสดงความเอ็นดูแล้วก็ตรัสแก ท่านพระจุลรัตนโธกมาดูก่อนจนลุลรัตนโธกในเมื่อพี่ชายขับไร่อย่างนี้นะทำไมท่านจึงไม่นึกถึงเราจะถาคตแล้วเราจะถาคตนี่เสมอ ก, กันกับบิดาของท่านนั่นและจะให้ความอุปการะเกื้อกูลเต็มที่คันแล้วพระองค์เจ้าก็นาพระจุลรัตนโกไปสู่พระคันธคุดี แล้วทรงนิลมิตรผ้าเช็ดหน้าผือหนึ่งให้ท่านจุลบรรถกแล้วก็สอนคาถาบริกรรมให้รัตโชหาระนังรัตชังหารติอันนี้แหละให้ท่านจุลบรกท่องจำเอาท่านก็ท่องจำเอาได้นี่เพราะมันถูกกับจริตนิสัย พระ อ, องค์เจ้าก็แนะนำให้นั่งภาวนาลงไปนั่งสมาธิลงแล้วก็บริกรรมว่ารัชโชหรนังรัชังหรติแปลว่าผ้าเปือนด้วยธุรีละ อ, องหนอแล้วเอาผ้าที่พระ อ, องค์เจ้าดนมิตรไทนั้นถูกับแข้งขาตัวเองนี้ไปมาทางในใจก็บริกรรมคาถาอย่างว่านั้นไป พอถูไปถูมาพระองค์เจ้าก็บรรดารให้ผ้านั้นคล้ำดำไปสกปรกไปเมื่อท่านพ่นาเห็นผ้าอันนั้นแล้วก็มาดำรีในใจว่าแม่ร่างกายนี่สปกปรกโสมมจริงๆดูแต่ผ้าเนี่ยขาวสะอาดทีแรกพอเอามาถูใส่ผิวหนังเท่านี้นแหละก็คล้ำดำไปสปกปรกเละเทอะไปหมดเลย ไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจอะไรเลยร่างกายน่าเบื่อจริงๆเงี้ยเมื่อดำลิอยู่ในใจอย่างนี้ก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายอัตภาพร่างกายนี้ขึ้นมาพระศาสดาทรงร่วงรู้กระทรงเปล่งพระรัศมีไปแล้วไปสอนทางวิปัสสนาให้ท่านจุนลบัรทก ให้ท่านพิจารณาให้เห็นว่าอัตภาพร่างกายนี้ประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมโดยอาศัยบุญกรรมเป็นเครื่องตกแต่งให้เกิดเป็นรูปเป็นกายเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นริ้นเป็นกายเป็นอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายนี่ขึ้นมาแล้วบุญกุศลเหล่านั้นก็เป็นของไม่เที่ยง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 หมายความว่าก็ไปนอนอยู่ในท้องของมารดา น, นุน อ, อยู่ในมดลูกนุตั้งแปดเดือนเก้าเดือนแช่อยู่ด้วยน้ำเลือดน้ำเลืง้งอ่าอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อท่านจุลบรรถกฤฤพิจารณาตามที่พระศาสดาทรงแนะ น, นำสั่งสอนไปนั้นพระองค์เจ้าทรงสแสดง ทานั้นจบลงท่านจุลบันถกก็ได้บรรลุอรหันต์ในในวันนั้นน่ะท่านจุลบันถกไม่เข้าไปในบ้านบังเอิญหมอโกมาระพัรารัตนาพระพุทธเจ้าะระพสงหมดทั้งวันเลยไปฉันในบ้านแต่ท่านจุลบันถกนั้นพระศาสด า, าให้บริกรรมภาวนาอยู่ที่พระคันทั ก, กุดีของพระองค์ พระองค์เสด็จไปบ้านหมอโกมารพัดแล้วก็ทรงกาหนดรู้วาระจิตของท่านจุลบันถกที่บริกรรมภาวนาโดยลำ ด, ด, ดับไปแล้วเมื่ อ, อ, อจิตใจของท่านน้องไปในทางวิปัสสนาแล้วพระองค์เจ้าจึงได้ส่งกระแส จ, จิตไปสอนทางวิปัสสนาดังกล่าวมาแล้วนั่นะ เมื่อท่านพิจารณาตามก็จึงว่าเป็นผู้มีฤทธิ์สามารถแสดงฤทธิต์ต่างๆได้ในว่าท่านเป็นผู้แตกฐานในอัตในธรรมมากทีเดียวพ็ได้บรรลุอรหันต์แล้วเมื่อหมอกมารพัฒน้อมอาหารเข้ามาถวายพระ อ, องค์ พระ อ, องค์ก็ไม่ทรงรับเพราะว่าพระ อ, องค์เจ้าทรงรับสั่งว่ายังมีภิกษุองค์หนึ่งเหลืออยู่ในวัดท่านพระมหาบรนทกนั่นท่านเป็นพระสุเทศผู้จัดแจงแต่งให้พระภิกษุสองไปรับนิมนต์ไปฉันในบ้านไปสวดมนต์อะไรท่านเป็นผู้ เป็นเจ้าหน้าที่ท่านก็กราบทูลพระศาสดาว่าพระไม่มีอยู่ในวัดนั้นหมดแล้วพระเจ้าข้าเพราะท่านเข้าใจว่าน้องชายของท่านหนีไปแล้วท่านขับไล่พระศาสดาก็ทรงยืนยันว่ามีพระยังมีอยู่ในวัดท่านองค์หนึ่งอย่างนี้หมอโกมาลพัทก็เลยใช้ให้คนไปนิมน่ะ เข้าไปในวัดท่านจุนลบรรทกเข้าสมาธิอยู่ก็รู้ว่าพี่ชายของตนกราบทูลประสาสสดาว่าไม่มีพระอยู่ในวัดถ้าเช่นั้นเราจะแสดงพระจะแสดงพระให้เต็มวัดนี่แหละให้ได้รู้ว่าพระไม่มีจริงเหลือคนที่รับใช้หมอโุมรารพัฒเข้าไปในวัด เห็นจะพระเต็มวัดเลยกวดวัดอยู่ก็มีซักผ้าอยู่ก็มีย้อมผ้าก็มีเย็บผ้าอยู่ก็มีมือนี้ไอคนที่ไปนิมนต์ก็ไม่ทราบว่าองค์ไหนเป็นท่านจุลบรรพตไม่กล้านิมนต์เลยกลับคืนไปบ้านไปบอกหมอกมารถป่า ผมไปแล้วในวัดนั้นมีแต่พระเต็มวัดเลย้าไม่ทราบว่าองค์ไหนเป็นท่านพระจุนลวรันทกก็ไม่สามารถจะรู้ได้หวังนั้นดูๆแล้วมันเหมือนกันหมดเลยพระศาสด า, าจึงได้ทรงแนะ น, นำว่า <c oughs> จงไปหวังนั้นเมื่อเข้าไปในวัดแล้วให้ถามเลยว่า พระพุทเป็นเจ้าองค์ไหนหนอที่ชื่อว่าจุลบรรทถกอย่นี้ก็บกตอบขึ้นเป็นเสียงเดียวกันเลยเรานี่แหละคือท่านจุนลบรรทถกพร้อมกันเลยที่นี้ก็ไม่ทราบว่าองค์ไหนเป็นท่านจุนลบรรทมถกกิงนะอา้าวก็กลับไปอีกพระศาสดาก็จึงเป็นเนตอุบายให้ บอกว่า <c oughs> เมื่อเข้าไปแล้วนะชงไปจับชายจีวรของท่านอง์ใดอง์หนึ่งแล้วกระชงถามขึ้นว่าท่านองค์ใดที่ชื่อจุลบรรทกเมื่อท่านตอบขึ้นพร้อมๆกันเนะี่ยองนอกนั้นก็จะหายไปหมดก็ยังเหลือแต่พระจุลบรรทกองค์จริงที่ท่านจับเชิงชายจีวรไว้นั้นเน่ย อุบาสกนั้นเข้าไปในวัดแล้วก็ไปปฏิธรรมตามที่พระองค์เจ้าแนะนํานั้นพระนอกนั้นก็หายไปหมดเลยก็จึงได้ท่านจุนลบรรทกมาในบ้านของหมอโกมาระพัดเมื่อท่านมาถึงแล้วหมอโกมาระพัดกับพระพวกก็ได้น้อมอาหารนั้นเข้าไถวายพระองค์และพระสงฆ์ทั้งหลาย เมื่อพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ฉันพระตาหารอิ่มน้ำซ้ำลานหมดแล้วพระศ า, าสดาก็ทรงรับสั่งให้ท่านจุลบรรพชนั่นแหละแสดงธรรมให้แก่พุทธบริษัททั้งหลายฟังแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับวัดท่านจุลบรรพชนั้นพอเมื่อได้บรรลุอรหัตผลแล้วก็เป็นผู้แตกฐานในพระคายปิดกเลยบริวเวนี้ ความรู้ด้นหลังไหลมาเหมือนน้ําในแม่น้ํานั่นแหละหลังไหลลงไปสู่มหาสมุทรทะเลไม่สิ้นสุดสันใดความรู้ในธรรมในวินัยของท่านจุลบรรพ s t ก็ไม่หมดไปสิ้นฉันนั้นล่ะพระศาสดาสเสด็จกลับไปแล้วท่านจุลบรรพ s ก็แสดงธรรมเหมือนกับ น้ำไหลไฟไหม้นี่นะปฏิพัน์โวหารท่านแตกฉานออกมาเต็มที่เลย <c oughs> พระพี่ชายก็ดีพระทั้งหลายได้ยินได้ฟังอันนั้นแล้วก็เกิดแปลกใจขึ้นมาเอ๊ะแต่ก่อนนี่เรียนมาคาถาเพียงบาทพระคาถาเดียวกับพี่ชายอยู่ทั้งสามสี่เดือนก็จำไม่ได้ในวันนี้ทำไมท่านยัง แสดงทำได้อย่างวิจิตพิสดารเหลือเกินหะน่าอัศจรรย์ใจว่างั้นเสร็จแล้วเมื่อกลับไปในวัดพระทั้งหลายก็ไปทูลถามราธธาพระศาสดาก็องค์เจ้าก็จึงได้ยกชีว่าประวัติของท่านจุลบรรทกมาให้พระสงฆ์ทั้งหลายฟังว่าตั้งแต่อดีตการนานมาแล้วนู่นแต่จุลบรนทกนี่ <c oughs> ได้บวชเหมือนกันนะออไม่ใช่นานอะไรหรอกในศาสนาพระพุทธเจ้ากัสสปานี่แหละท่านได้ออกบวชเป็นพระภิกษุแล้วเป็นผู้เรียนทมเรียนวินยัยจบพระไกรพิดกในครั้งนั้นทีเดียวแหละแล้วก็สอนทำสอนวินัยนั้นให้ทุกสิลูกห า, เ, าเยอะแยะทีเดียวละ่ะ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 เรียนอะไรจำอะไรก็ไม่ได้นะนน ะ, ะทีนีาอนิสง์ที่ท่านได้บรรลุอรหัตผลนั้นในชาติหนึ่งได้เกิดมาแล้วได้เป็นพระราชามหากษศัตร์คราวหนึ่งนั้นทรงช้างแล้วก็เสด็จเรียบพระนครด้วยบริษัทบริวารเป็นอันมากพอรีนั่งไปบนหลังช้างนะ่ะแดด มันแผดเผาเอาร้อนเหงื่อใครไหลออกมาก็เอาผ้าเช็ดหน้านี่แหละมาชับเหงื่อมาถูตามตัวเนี่ยเพื่อเช็ดน้ำเหงื่อน้ำไครออกไปมาเช็ดไปเช็ดมาผ้านันกดเร้าหมองเข้าซึ่นี้มาพิจารณาดูวันนี้ เอ๊ะร่างกายอันนี้มันโสโปรกโสมมมยิงกิ้งผ้านี่นะสะอาดสะอาดอยู่เลยพะเอามาเช็ดมาถูเหงื่อใครนี่เข้าไปแล้วก็คล้ำค้าไปเศร้าหมองไปเลยเออร่างกายคนเรานี่ไม่ใช่เป็นของสวยงามอะไรฮะเต็มไปด้วยบุพโลหิตเต็มไปด้วยสิ่งโสโครกปฏิกูลต่างๆเลยได้ความนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาในใจ อันนั้นแหะเป็นอุปนิสัยปัจจัยติด ต, ตามมาแต่ในชาตินั้นเพื่อนก็ไม่ได้ออกปวด อ, อินทรีย์มันยังอ่อนอยู่แต่ความดำริในใจอย่างว่านั้นฮะมันเป็นอุปนิสัยปัจจัยติด ต, ตามมาพระศาสดาทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยของท่านจุนลบรรพตท่านได้ดำริในภายในจิตใจอย่างนี้แล้วก็แต่เอาผ้า เช็ดหน้านั้นเช็ดตัวมาแต่ชาก่อ น, นมาดำริเห็นเป็นของโสโครปฏิกูลเป็นนิสัยประใจมาดังนั้นแหละพระองค์เจ้าจึงมีลมิดผ้าเช็ดหน้าให้ผืนหนึ่งแล้วบอกคาถาบริกรรมให้ก็จึงได้เกิดนิพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาในใจเพราะเห็นผ้ามันเศร้าหมองด้วยพุท ธ, ธานุภาพนันเป็น ปัจจัยติดสอยห้อยตามท่านมาแต่ก่อนโน่นน่ะนั่นเอง <c oughs> ถ้าว่าท่านไม่ได้เจริญอสุภาษกรรมฐานมาอย่างนั้นเป็นนิสัยปัจจัยมาเอ่อพร่อองค์จะไปทําอย่างนั้นให้เพื่อนได้บรรลุอรหัตผลนี่เป็นไปไม่ได้เลยเอ่าลองคิดดูนี่แหละคําว่านิสัยวัฏสนานะ่ะเป็นอย่างนี้แหละ ฉะนั้นนะ่ะทุกคนนะให้พากันเจริญพระกรรมฐานไว้ให้มากๆทีเดียวเจริญอาตุภักกรรมฐานนี่แหละผู้ดใดเจริญกรรมฐานอันใดก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยแหละอืคือกรรมฐานนั่นมันถูกกับจริตของตนพอนึกถึงกรรมฐานอันนั้นแล้วมันรู้สึกว่าจิตใจเบิกบานขึ้น ถ้าสมควรที่จะเบื่อหน่ายมันก็เบื่อหน่ายขึ้นมาทันทีอย่างที่ท่านจุลบรรกตตะคัตคั ง, งเป็นกษัตริย์อยู่ในอดีตการนูนนะ่นไมธรรมดาวิสัยผู้มีบุญผู้มีปัญญาไม่ดูได้แลยเห็นอะไรแล้วต้องดำรีตรีตองอย่างว่านันเอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหลือเช็ดไครตามหน้าตามตัว เอาไปแล้วมันเศร้าหมองไปกันยังดำหลยทวนกระแสจิตเข้ามาดูร่างกายนี่อืมร่างกายอันนี้มันเต็มไปด้วยสิ่งกกโสโครกอาหารรับประทานเข้าไปแล้วไปธาตุย่อยไปเรียงร้างกายพอดีเมื่อถูกความร้อนมันกระทบกระทั่งกับร่างกายนี้เข้าไปอ่า อาหารที่มันย่อยไปหล่อเลี้ยงร่างกายนั่นเช่นน้าก็ดีอาหารก็ดีมันก็จะไหลซึมออกมาตามรูขนนั่นนะรูขุมขนนั่นเองนะแล้วก็บัญญัติว่าเหงือกไข่อย่างนี้แหละเพราะว่ามันเป็นเศษของอาหารมันอาหารอันละเอียดที่ไปหล่อเลี้ยงร่างกายเนี่ยนะมัน ไหลหลังออกมาตามรูขุมขนนั่นนะเด่นเมื่อแปะมาแปดเปื้อนผ้าห่อนเข้าจึงดำโสโครกเข้าไปแล้วก็มีกลิ่นเหม็นซะด้วยอ่ะอย่างนี้นะผู้มีปัญญาโน้มเข้าไปพิจรารณามันก็เห็นชัดสิเพราะมันมีจริงนี่เกิดนิพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นในใจนี่ก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยที่จะให้ได้สำเร็จอรหัตตผลนะ่ะ เพราะฉะนั้นแหละพวกเราทั้งหลายเมื่อได้ฟังอุบายธรรมะหรืออาวัยการเจริญพระกรรมฐานดังหยิบยกเอาเป็นปุกกราธิฐานยกบุกคคลเป็นที่ตั้งมาแสดงสู่กันฟังอย่างนี้ก็พึ่งพากันจําอุบายเหล่านี้ไว้แล้วไปเจริญอสุภากรรมฐานเสมอเสม อ, อเหงือ้อไขไหลออกมา เอาผ้าเช็ดผ้าถู ก, ก็จะไปเช็ดเป่าๆก็ต้องรำลึกในใจว่าแม่ร่างกายนี้โสกโปกจริงๆเต็มไปด้วยเหงื่อด้วยไขรไหลออกมาแล้วเอาผ้าเช็ดผ้าก็เศร้ามองคุณมัวทั้งทรงกรินเหม็นด้วยเช่นรักแร้สองข้างอย่างนี้นะเมื่อเหงื่อไข่ไหลออกมาทั้งโสกโปกด้วยทั้งทรงกรินเหม็นด้วยมูเนี่ยนะ แต่คนเราไม่ได้พิจารณานี่เมื่อมันเหม็นกับเหม็นไปเฉยๆไม่ได้พิจารณาโดยอุบายแยบค า, ายในใจมันก็ไม่เบื่อไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันก็หลงรักหลงไข้ร่างกายในอยู่อย่างนี้แล้วเพราะเหตุ น, นั้นนะมันดึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยเพื่อไปแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านี้ ได้มาครอบครองแล้วก็เอาแล้วเป็นทุกข์แล้วบวะนี้เพราะว่ารูปกายอันนี้มันเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยปัจจัยสี่ดังที่เคยพูดมานั่นเน่ยมันเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยอาหารผ้านุง่งผ้าหม่มที่อยู่ที่อาศัยหยูกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆนี่กลัวว่าจะเสวงหาปัจจัยสีน่นี่มาบำรุงอุปธรรมร่างกายอันเนี้ยมันได้มาแสนยากแสนลําบากไม่ใช่น้อย ถ้าบุคคลมีบุญวาสนาน้อยยิ่งลําบากใหญ่การแสวงหาปัจจัยสี่นี่นะหาอย่างไรมันก็ไม่ได้ตามประสงค์เลยอผู้มีบุญวาสนาได้ทํามาแต่ชาติก่อนก็ยังชั่วน้อยพอหาได้ง่ายขึ้น <c oughs> แต่ก็อย่างว่านั่นแหละคนมีบุญวาสนามีเงินมีทองมากเอา้าโจรผู้รายมันอยากได้ มัน่าวางแผนไปยื้อแย่งเอาอย่างนี้นะมันมีแต่เรื่องทุกข์เรื่องเดือดร้อนใจการมีอัตภาพร่างกายอันประกอบไปด้วยธาตุสีดินน้ำไฟลมนี้ขึ้นมาแล้วเต็ไมไปด้วยภัยอันตรายหมายเข้ามางั้นแหละทั้งไม่สะอาดไม่ไม่สะอาดสดสวยด้วยแล้วก็ทั้งไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนด้วย ทั้งประกอบไปด้วยทุกข์ทนได้ยากลำบากด้วยระการต่างๆนี่ความจริงของร่างกายเป็นอยู่อย่างนี้นะแต่คนเราเนี่อาศัยความประมาทความเป็นผู้ปราศจากอยู่ปราศจากสติสมัมปชัญญะไม่มันระลึกเข้ามาหากายหาใจนี้บ่อยๆ ก็จึงไม่เห็นธรรมของจริงอันมีอยู่ในร่างกายนี้จึงเพลิดเพลินยินดีไปแต่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่โลกเขาสมมุติว่าสวยว่างามน่ารักน่าใครน่าพอใจต่างๆนั่นน่ะมีแต่เพลินไปอยู่นั่นน่ะสำคัญว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของสวยของงามเมื่อตนได้มาครอบครองแล้วตนก็จะมีความสุข ความสบายนี่มันเข้าใจผิดไปอย่างนั้นคนผู้ประมาทนะอยู่ปราศจากสติสัมปชัญญะนันเป็นอย่างนั้นแหละถ้าผู้ใดไม่ประมาทแล้วมีสติมันระลึกเข้ามาทบทวนเพ่งดูอัตภาพร่างกายนี่บ่อยๆเข้านี่มันก็จะเห็นความจริงของร่างกายนี่ตามเป็นจริงเรื่อยไปหละ ความจริงของร่างกายนี้ก็ อ, อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละโสโครกโกกระปกไม่สวยไม่งามอะไรอนะอย่างหนึ่งแล้วก็ทั้งไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีความแปรปวนไปเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ทนได้ยากทนลำบากแต่ว่ามันเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็ต้องยักย้กายพันแปรไปอาการที่มันแปรปวนไปนั่นนะคือว่าเป็นลักษณะแห่งความทุกข์ ของร่างกายนี่จิตใจเมื่อไม่รู้เท่าร่างกายนี้ตามเป็นจริงใจนี้ก็นิ่งนิ่งอยู่ไม่ได้โกรกวนกวาไว้ไปนั่นเดีย ว, ว่าใจเป็นทุกข์นี่ความทุกข์ทางใจเนะี่ยมันเกิดขึ้นได้ด้วยอาการที่ไม่รู้เท่านามรูปตามเป็นจริงอย่างว่านี้แหละมันถึงได้ดินน้นรนกระวนกวายนี่ <c oughs>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 ใครจะมีอำนาจบาดใหญ่สักเท่าไรเท่าไรจะมาบังคับร่างกายนี้ไม่ให้มันแปรปรวนแตกดับไม่ได้เลยนี่เป็นความจริงแท้ๆเลยแต่คนเราไม่พิจารณาเนี่เมื่อไม่พิจารณามันก็ไม่เห็นเมื่อไม่เห็นมันก็ไม่เบื่อไม่น่ายเมื่อไม่เบื่อไม่ได้มันก็ไม่คลายความกำหนัดยินดีมันก็ยึด ถือเอาไว้ว่าเป็นเราเป็นของของเรา อ, อยู่อย่างนั้นแหละแม้ว่ามันจะมีโครคภัยมาเบียดเบียนเท่าไหรเจ็บไข้ได้ป่วยร้องครวญครางอยู่อย่างไรมันก็ยังถือว่าเราเจ็บเราป่วยเราจิบเราเจ็บตรงโน้นเราปวดตรงนี้ เรามีโรคภัยเบียดเบียนอัะไรก็เราทั้งนั้นแหละหมดอ่ะนี่ความหลงของจิตใจนั้นเป็นอย่างนี้แหละซึ่งจะไปมีอุบายสอนใจเตือนใจในเวลาอย่างนั้นไม่มีเลยอ่ากรเพราะเหตุอะเพราะหัวม얼ประมาทไม่ทวนกระแสจิตเข้ามาเพ่งพิจารณาสอนจิตใจตัวเองเลยแต่ก่อนมาแต่ชาติดได้ชักร่วงร่วงแล้วมาโน่นนะ ก็ไม่มีอุบายแย็บคลายสอนจิตใจอย่างว่านี้เลยเพราะนนั้เกิดมาในชาตินี้นะ่ะอุบายธรรมะเหล่านั้นก็ไม่เกิดขึ้นในใจได้เพราะตนไม่เคยคิดไม่เคยนึกมาแต่ชาติก่อนนู่นนะ่แม้ว่าท่านผู้รู้ทั้งหลายจะแนะนําสั่งสอนให้คิดให้นึกอย่างไรมันก็ไม่อยากคิดเพราะมันไม่มีนิสัยปัจจัยติดตามมาสนับสนุน เพราะฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงรู้แจ้งนิสัยใจคอของมนุษย์สัตว์ทั้งหลายมีประเภทต่างๆกันเนี่ยทรงอุปมาเหมือนอย่างดอกบัวสี่เหล่านั้ น, น <c oughs> ดอกบัวเหล่าทีแรกนั้นยังจมอยู่ในน้ำอยู่ในตรมอยู่ในตรมนู่นนั่นแหละ กำลังผลิออกมาหรือว่าผลิยอดผลิใบออกมาพอยแต่จะเป็นเหยื่อเต่าเหยื่อปลาไปอย่างนั้นไม่แน่นอนเลยนี่ท่านอุปมาเหมือนอย่างบุคคลประเภทปะะประมะคือว่าคนบุญน้อยพูดง่ายๆว่าเท่ไหมแม้ว่าพราะองค์จะแนะนำสั่งสอน โดยอุบายปริยายเท่าไหรเท่าไรมันก็ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมของจริงได้เลยมืดตื้ออยู่อย่างนั้นเนี่ยนี่คนจะพวกนี่แล้วคนจะพวกอีกที่สองนี่ทรงเปรียบเทียบไวเหมือนกระดอกบัวโผล่ขึ้นจากเปลือกต้มแล้วแต่ยังจมอยู่ในน้ำนู่น ยังจมอยู่ในน้ำท่านอุปมาไว้เหมือนกับบุคคลประเภทที่สามที่ท่านไดวน้ว่านเนยะบุคคลแปลว่าบุคคลผู้ที่ยังจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติฝึกหัดทรมานตนไปตามแนวอัดถังขี้กรมักแปดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นมีความเห็นมีปัญญาเห็นชอบเป็นต้น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 น้ำไปไม่ได้ท่านเปียบไว้กับบุคคลผู้ที่วิป จ, จิตันยนูผู้ที่พระบรมศาสด า, าหรือว่าพระสงฆ์สาวกองค์อรหันต์เจ้าของหลายแสดงธรรมไปยกหัวข้อธรรมขึ้นแล้วอธิบายไปนิดหน่อยเท่านั้นแหละท่านจำพวกที่สองนี่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 บุคคลประเภทที่หนึ่งนี่เป็นผู้มีบุญวัสนาบรมีแก่กล้า ม, มากอ่าแล้วเป็นผู้มีบุญมากที่สุดแล้วกอวันเถอะใกล้จะได้บรรลุมรรคผลเต็มแก่อยู่แล้วพอพระศาสดาทรงแสดงทมบาตรพระคาถาเดียวเท่านั้นเนี่ยจบลงนะโดยไม่ต้องได้สีแจงอธิบายอะไรเลย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 เทียบได้กับบุคคลประเภทไหนในปัจจุบันนี้นั่นเข้าใจว่าสูญมากนี่พวกปะดะปรมะนั่นเ่ยปฏิบัติอย่างไรอย่างไรก็บรรลุมรคผลไม่ได้ฟังทำเท่าไรเท่าไรก็จำไม่ได้นี่ระลึกถึงตัวเองก็ไม่ได้มักจะหลงจะเมาไปอยู่อย่างนั้นไอ้ผู้ที่ ได้ฟังธรรมเพียงนิดหน่อยแล้วจะรู้แจ้งได้เลยไม่มีสําหรับในสมัยนี้นะเนียกว่าคนมีบุญน้อยวาสนาน้อยเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดรู้ว่าตนมีบุญวาสนาน้อยอย่างเนี้แล้วก็จะมาท้อถอยเสียไม่สั่งสมบุญกุศลสืบต่อไม่ทําความเพียรคาจัดกิเลสบาปธรรมออกจากกิจใจกิตใจแล้วผู้นั้นมันก็ยิ่ง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 ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นได้ก็รีบเร่งทําความเพียรเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยนั่นเองเจริญสมถะวิปัสนาเข้าไปอย่างที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั่นเนี่ยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลําบากต้องอดต้องทนนะการจเจริญพระกรรมฐานนี่ก็ห ม, มายความว่าการสั่งสมบุญกุศลนั่นเอง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 เพราะคนเราจะให้ทานมากอย่างไรก็ตามถ้ า, าว่ายังไปทำบาปอยู่ยังไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอยู่อย่างนี้ก็ยังจะพ้นจากอบายภูมิทั้งสีไม่ได้เลยนี่ขอให้นึกให้มันได้อย่างนี้เมื่อผูใ้ใดเกลียดต่อความทุกข์ดังกล่าวมานั้นแล้วก็ให้เป็นผู้มั่นในศีลให้ได้ยิงิงๆอย่าไปอ้างโน้นอ้างนี้อ้างว่า